ทุกทีคือที่เรียนภาคเพียรได้ทุกแห่งทุกแห่งทุกสิ่งต้องจัดแบนเป็นแหล่งให้เรียนรู้ทุกวันต้องได้เรียนเริ่มเรียนไม่มีอทุกคนลวนใจสู้ไฟรู้ทุกเวลาทุกทีอยู่แบบบุญเรียนทุกทิา สุกสิ้นลนแต่งมาลุ่ตาเพื่อยอเพื่ออยู่<ๆ> ัครอบน้ำไรได้เขาถึงนักเส้นเรืองทางทุ่งห่างไกลจิตรู้ประจํพ้นครรมเขาสั กายทิกรู้ประจําผนตําข้าสักวันเข้าสักวัน